เพราะฉะนั้นถ้าภิกผู้ที่เจริญศีลปริภาวิโตพิสูจนทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลที่บอกว่าศีลเนี่ยตั้งอยู่ในศีลหรือว่าเจริญศีลให้มากแล้วเนี่ยนะทำศีลให้ดีเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็ย่อมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยอริยมรรสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยอริยผลเนี่ยนะสมาธิในมรรและผลนั่นเองศีลนั้นอันอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอา น, นิสงส์งมากเพราะอะไรเพราะเป็นศีลระดับสูง เป็นศีลที่เป็นบาตรแห่งโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกาทาคามีมักสกาทาคามีผลเป็นศีลที่เป็นบาตรแห่งการแทงตลอดโลกุตระธรรมศีลแบบนี้เป็นศีลที่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเนี่ยนะศีลแบบนี้แหละที่มีผลมากเมียนิสง์มากส่วนภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสมาธิใดย่อมเกิดปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยมักปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยผลปัญญานั้นน่ะ สมาธินั้นอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากคือสมาธิใดก็ได้ที่เจริญแล้วอ่ะใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลใกล้ให้อริยมรรคปัญญาเกิดให้อริยผลปัญญาเกิดสมาธิที่เจริญให้เกิดอริยมรรคปัญญาอริยผลปัญญาสมาธิอันนั้นแหละมีผลมากมีอนิสงส์มากแต่ถ้าสมาธิใดที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการแทงตลอดอยายุสัปดา สมาธิที่ไม่ได้เกื่อกูลต่อการบรรลุอริยมรรคเลยสมาธิเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอ น, นิสงค์มากอั้นสมาธิที่มีที่เจริญแล้วมีผลมากมีอ น, นิสงค์มากหมายถึงสมาธิที่ใกล้ต่อวิปัสสนาปัญญาใกล้ต่ออริยมรรคปัญญาทั้งหลายนันนี่แหละเป็นสมาธิที่กำไรดีั น, นส่วนปัญญาต่อไปพิสูุทั้งหลายตั้งอยู่ในปัญญาอันใดย่อมเกิดมรรคจิตผลจิต จิตอันนั้นแหละที่ปัญญาอบรมแล้วเนี่ยนะปัญญาที่อบรมแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดมัคคจิตและผลจิตปัญญาเหล่านั้นนี่นแหละที่ดีมากแล้วก็ช่วยให้พ้นจากกามาสะวะภาวาสะวะและอวิชชาสะวะทีเดียวพรานการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คงไม่หลงประเด็นไม่ผิดพลาดใช่ไหมว่าเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อมัคเพื่อผลเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าโสดาปฏิมัคไปแล้วนั่นแหละ ศีลจึงจะบริบูรณ์โซดาสกทาคามีมักไปแล้วนั่นแหละศีลจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นศีลที่มีผลมากมียนิสง์มากอนาคามีมักไปแล้วนั่นแหละสมาธิจึงจะมีผลมากมียนิสงมากปัญญาในระดับอรหัตมักนั่นแหละจึงจะมีผลมากมียนิสง์มากเพราะหลุดพ้นจากอาสวะโดยประการทั้งปวงแต่จริงแล้วโสดาปฏิมักเนี่ยนะก็พ้นแล้วจากกาจากทิฏฐาสวะ อรหัตตมัคขออภัยอนนาคามีมัคพ้นจากกามาสะวะอรหัตมัคพ้นจากภวาสะวะและอวิชชาสะวะนั้นอรหัตตมัคปัญญานี่แหละทําให้จิตหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งสี่คือหลังจากที่อริยมรรคเกิดแล้วเนี่ยนะไม่มีจิตใดเป็นที่สัมปยุตกับอาสะวะสี่อีกต่อไปสําหรับพระอารหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะก็คือ เหมือนอย่างว่าสนิมเนี่ยเกิดที่ไหนก็เกิดที่เหล็กเหล็กที่หลอมดีแล้วก็กลายเป็นเหล็กที่ไร้สนิมชั้นใดก็ดีเนี่ยนะจิตทั้งหลายที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นกับเบ้าหลอมอเครื่องมืออุปกรณ์ในการหลอมหลอมถึงที่สุดแล้วก็เป็นจิตที่ปราศจากสนิมเพราะอาสวะทั้งหลายก็เช่นกับ สนิมนั่นเองเนี่ยนะก็กลายเป็นอะไรนะั้นเหล็กชั้นดีเหล็กชั้นมาตรฐานเป็นเหล็กที่ไม่มีสนิมอริยมร์อริ ย, รยผลก็ฉะนั้นถ้าเจริญจนสมบูรณ์ภัยบุ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วสมาธิที่เจริญจนบริบูรณ์แนละ้วก็ไม่มีสนิมคือราคะโทสะและโมหะที่อยู่ในใจพ้นจากสนิมใจคือกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะนั่นเองเนี่ต่อไป อันนี้ก็เป็นโอวาทที่พระองค์ให้เนี่ยให้บ่อยมากเลยนะให้จบจนปรินิพานเนี่ยจนจนถึงกับพระองค์ปรินิพานเนี่ยให้ประมาณแปดครั้งโอวาท น, นี่ยนะตั้งแต่เขาคิจฉกูดเป็นต้นไปเรื่อยเนี่ยนะตั้งแต่พระชนพระองค์มีพระชนมาายุสิบเก้าปีเนี่ยอยู่ที่ไหนสอนเรื่องนี้มากที่สุด น, นะนะหมายความว่าตั้งแต่เขาคิจฉกูดไป อุทยานไหนไหนไปพักอยู่ที่ไหนจําพรรษาที่ไหนเนี่ยนะเน้นมากว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศีลถ้าเจริญศีลให้ดีจะเป็นปัจจัยให้เกิดมรสมาธิผลสมาธิสมาธิถ้าเจริญให้ดีก็ทําให้เกิดมรคปัญญาและผลปัญญาปัญญาถ้าเจริญให้ดีก็ทําให้บรรลุมรขจิตและผ ล, pues ล, ะละจิตก็คือเน้นพิเศษเน้นตรงนี้มากๆเลยถ้าศีลเจริญถูกต้องนะ จะได้มัคคสมาธิผลสมาธิสมาธิถ้าเจริญให้ดีก็ต้องได้มัคคปัญญาผลปัญญาปัญญาถ้าเจริญให้ดีก็ต้องได้มัคคจิตและผลจิตชี้ชัดชี้อยู่ประเด็นเดียวเนี่ยนะก็คืออะไรจะแสดงว่าโลกิยะธรรมที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเพราะกุศลธรรมเป็นคําสอนของพระองค์ที่เป็นนิยานิกธรรมนั้นธรรมเหล่าใดที่จะนําสาวกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะภาคเพียรพยายามอุตสาหะ เพื่อจ ะ, สะแสดงเขาจะได้ช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์นั่นเองในข้อ76หน้า247ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จอยู่ในกรุงราชคึกตามพระธยาัยเนี่ยนะก็ตามพุทธพิรมหรือตามแกเห็นสมควรหมายคาอว่าไม่มีผู้ที่จะโปรดไม่มีผู้ที่จะสงเคราะห์พอให้ตรัสรู้ได้แล้ว พระ อ, องค์ก็เรียกพระอนุนว่ามาเถิดอ น, นุ์เราจะเข้าไปยังพระราชุทยานอัมพลติกาพระราชุทยานอัมพลติกาก็อยู่ใกล้ๆ ก, กับกรุงราชสักคึกนั่นแหละแต่เป็นสวนสวนหนึ่งเป็นสวนสาธารณะนะท่านพท่านอนก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระเจ้าค้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภ า, าเคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงพระราชอุทยานอัมพลติกาแล้วเล่ากันมาว่าณนะที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระตำหนักในพระราชุิทยาอัมพัติการเรียกว่าเป็นสวนหลวงนะนะเป็นสวนหลวงพระองค์ก็พักในตำหนักทราบกันมาว่าแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณนะตำหนักในสวนอัมพลติการนั้นก็ทรงกระทำทรมีระถานี้แลเป็นอันมากแก่พิสู่ทั้งหลายว่าศีลมีอยู่แม้ด้วยประการชนี สมาธิมีอยู่แม้ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่แม้ด้วยประการชนีเนี่ยนะก็ชี้แจงเลยนะศีลเป็นอย่างนี้นะจะตุปาริสุทธิศินเป็นอย่างนี้สมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมัฏะทั้งหลายเป็นอย่างนี้ปัญญาทั้งหลายกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้าเจริญศี zit, ญลให้ดีจะได้บรรลุมรรคผลเจริญสปันสมาธิได้ดีก็บรรลุมรรคผลเจริญปัญญาให้ดีก็บรรลุมรรคผลได้เพรัน ศีลเจริญให้ดีก็ได้มรรคสมาธิผลสมาธิสมาธิถ้าเจริญดีก็ได้มรรคปัญญาผลปัญญานะหรือว่าปัญญาถ้าเจริญได้ดีก็จิตก็เป็นมรรคจิตและผลจิตเนี่ยนะพระองค์ย้ำเน้นเตือนเราว่วาว่าสั่งสอนมากถ้าเจริญได้อย่างนี้จริงก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายมันถ้าพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็ถือว่าพ้นจากทุกเนี่ยนะเพราะทำลายเชื้อแห่งวัตถทุก์ได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ เขบว่าโรคทั้งหลายถ้าหากว่าโรคที่เกิดจากเชือ้อทําให้โรคเนี่ยนะฮะไม่รู้จักหายสักทีหนึ่งทําท่าจะหายก็เป็นอีกทําท่าจะหายก็เป็นอีกเพราะอะไรเพราะไม่สิ้นชือ่อไม่สิ้นเชือ้อในะี้ยังมีเชื้อโรคเพผลถ้าหากว่ายังมีกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะก็ฉะนั้นก็ต้องรักษาให้หายขาดถ้าหายขาดแล้วก็พ้นจากทุกโดยตรการทั้งปวงนี้ต่อไปในข้อเจ็สิบเจ็ด ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในพระราชวิทยานอัมพลติกาตามพระอัธยาศัยแล้วหลังจากนั้นท่านก็ตรัสเรียกพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังเมืองนาลันทาก็จากเมืองราชครึกไปสู่เมืองนาลันทาก็ไกลพอสมควรนะนะพระองค์ก็เรียกพระอานน์เพื่อจะไปเมืองนาลันทาท่านพระอนน์ก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองนารันทาเล่ากันมาว่าในเมืองนารันทานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในปาวาทิกรรมพันนั้นะครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้้นหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์พู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นผู้มีปัญญารู้ยิ่งผู้ใดที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระสัมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมโพธิญาณเนี่ยในอดีตการไม่เคยมีมาแล้วคนที่มีปัญญายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเรื่องการตรัสรู้ทั้งหลายเนี่ยในอดีตไม่เคยมีใครเนี่ยมีปัญญาเกินกว่าพระพุทธเจ้าเลย อนาคตต่อไปก็จะไม่มีผู้ใดเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยถึงในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอยู่อีกแน่นอนอดีตไม่มีใครมีปัญญาเกินอนาคตก็ไม่มีใครมีปัญญากว่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีคนมาเปรียบเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเสมอกันกับพระพุทธเจ้าในอดีตเสมอกันกับพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ปัจจุบันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเพราะปัจจุบันนั้นไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเทียบได้ คือแม้เริ่อมใสามากเลยนะที่เหตุที่ภาษาริบด์เลื่อมใสยอย่างนี้ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งภาษาริบด์ก็เช้ามาท่านก็ปร ะ, ประพฤติสิริรากิจของท่านจนเสร็จแล้วท่านก็ไปบินทบาทหลังจากกลับบินจากบินทบาทชันเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็ไปสู่ที่หลีกยกลนแล้วก็เจริญะระลึกถึงคุณของตัวเองว่าตัวเองนี่มีคุณธรรมอะไรบ้างท่านก็ตามระลึกถึงคุณธรรมของท่านไปเรื่อยๆว่าท่านเนี่ยมี มือนก็เหมือนว่าอย่างมหาเศรษฐีมานั่งนับทรัพย์ตัวเองนะตัวเองมีทรัพย์อะไรบ้างว่าเรียกว่าย้ายเรียกว่าเรียกว่าเปิดตู้เพจตัวอะไรมานั่งนับไปเรื่อยบอกนับไปนับมามันก็ไม่มีจบมีสิ้นเลยขี้เกียดนับแล้วพ อ, พอแล้วม้คาว่าขี้เกียจหมาเพรามว่าเยอะแ ย, ยะร่วมมากก็แล้วกันนี่ขนาดของเรายัางขนาดนี้แล้วของพระพุทธเจ้าขนาดไหนท่านก็เริ่มเจริญพุทธคุณนะเจริญไปเจริญไปเจริญ ไ, ไปเอ้าไม่มีที่สุดเนี่ยเหมือนอากาศเลยครับเนี่ยเป็นพระคุณที่หาที่สุดไม่ได้หาที่เปรียบไม่ได้ ก็เลยเรื่มใสมากเลยนะยิ่งเรื่มใสทราบเชิงในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะก็เรื่มใสมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยเอ้ทําไงดีก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเรื่มใสมากขนาดนี้เนี่ยทําไงดีเนาะจะเล่าความเรื่มใสอันนี้ให้ใครฟังดีบอกว่าถ้าเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยแหมมันรับไม่ได้หรอกเอางี้แล้วกันก็เล่ากราบเรียนกราบทูลแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไ ป, ไปถึงก็แป่งอากล่าวอาสพิวาจาอย่างองอาจเลยไม่เลื่อมใสจริงๆเลยว่าไงเธอเลื่อมใสมากเลื่อมใสยังไงออกเลื่อมใสสิว่าสมณพราหมณ์หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะใครที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระองค์เนี่ยในอดีตไม่เคยมีมาเลยที่ยิ่งกว่านะไม่ได้บอกว่าเสมอไม่มีนะบอกว่าที่ยิ่งกว่าไม่มีอนาคตต่อไปก็ไม่มีใครยิ่งกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเสมอ พอเรื่มใสามากเลยนะอย่างพระสารีบุตรนี่เริ่มใสถึงขนาดว่าทนไม่ได้เลยนะต้องไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่างั้นเถอะบอกไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังว่างั้นนะไม่มีคือคือคนที่เสมอกับตัวก็ไม่มีอ่ะนะเรื่องนี้เล่าจะให้พระพุทธเจ้าฟังอย่างเดียวก็ไปกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรวาจาอันอาจหันโอรานี้ที่เธอเรลือศีห์หนาะที่เชื่อถือได้โดยแท้ เชื่อถือได้แม้องค์อ่านแล้ว ก, กินเนี่ยแม้พูดน่าเชื่อมา ก, ก น, นะพูดแล้วต้องเชื่อพูดอย่างนี้ต้องน่าเชื่อจริงๆแหละน่าเชื่อแท้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะหรือพระามเอื่นผู้มีปัญญารู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในทางพระสัมโพธิญาณการตรัสรู้เนี่ยไม่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะยิ่งกว่านี่จะไม่มีแล้วในอนาคต และไม่มีอยู่ในปัจจุบันที่เธอกล่าวนี้นะสารบุาารตรพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดได้มีมาแล้วในอดีตการเธอกำนดรู้ด้วยเ ธ, เธอกำหนดรู้แล้วด้วยใจซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทุกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นในอดีตทั้งมวลนะ่ะเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ ด้วยประการชนิดเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ด้วยประการชนิดเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ด้วยประการชนิดเป็นผู้มีธรรมเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมอย่างนี้ด้วยประการชนิดเป็นผู้ผลวิเศษแล้วอย่างนี้แม้ด้วยประการชนิดดังนี้หรือหรือหนอเธอรู้หรือว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เหล่านั้นมีศีลอย่างไง